ศาสนาแผนที่81ลำรับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่4มีนาคม2558มีชื่อเรื่องว่าจงอยู่ด้วยความพร้อมเพรียงกัน วันนี้หลวงพ่อคงจะพูดกับลูกหลานไม่นานนะ<ม>เดี๋ยวจะพูดช่วงระยะหนึ่งแล้วก็จะให้พวกเราฟังธรรมเทศนาที่ครูบาได้จัดเอาไว้ <c oughs> เปิดเทปฟังแล้วก็นั่งฟังไปเรื่อยนะภาวนาไปเรื่อยควรจะมีควรจะเป็นการช่วงได้ยินได้ฟังแต่วันนี้หลวงพ่อพูดตอนเช้าเลยยังไม่เสร็จ ตอนเที่ยงอีกพระปฏิโมกอีกตอนบ่ายอีกคณะัทยาญาติมาจากจาาตุรทิตไมลุ่มมาจากที่ไหนตัวที่ไหนก็ได้พูดคุยเพราะนั้นหลวงพ่อคงจะขอไปพักผ่อนซะก่อนอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินหลายคลางต่อหลายหน ฟังร่วมกันฟังรวมกันแยกแยกแยะการฟังเพราะการฟังมันเป็นหัวใจของหลักของพระพุทธศาสนาพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเพราะเหตุไรถ้าพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าไม่สอนปัญจวคีทั้งห้าปัญจวคีทั้งหจะได้สําเร็จมักสําเร็จผลอย่างไรแล้วก็จากท่านก็ได้สอนพระสงฆ์สาวก เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านจนมาถึงยุคปัจจุบันก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังทั้งนั้นแหละเพราะนั้นการได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนพวกเราก็จะได้แยกแยะได้ว่าอันไหนควรอันไหนถูกอันไหนผิดไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจตัวเองเอดันทุลังซื่อบื้อไปเรื่อยมีแต่ดันลงไปหาความชั่วเสียหายนั่นแหละ ไม่ได้มองหน้ามองหลังไม่ได้มองซ้ายมองขัดขวาไม่รู้จากกาักราเทะการควรไม่ควรการควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรอ่าอันนี้มันต้องเราอยู่ในหมู่ในคณะอยู่ในพักในพวกการเช่นนี้เราควรจะทำตนอย่างไรการกระทาเช่นนี้มันเสียหายไหมถ้าไม่มีเสียหายก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เสียหายเราก็ต้องปฏิบัติตาม มันเป็นกฎระเบียบประเพณีอันดีงามมาตั้งแต่ดึกํำบันถ้าเรางดไปทราบมันดีไหมถ้ามันดีผมเราก็งดไปสิแต่มันดีถ้าเราเป็นหัวหน้าขึ้นมาเมื่อไรเราจะงดก็ได้ไม่เป็นไรเราไปอยู่ตามลำพังแต่ถ้าคนไม่ไปหาเราคนไม่เลื่อมใสน่อันนั้นเราจะสำนึกได้เลยว่าตัวเองผิดที่ตรงไหนเพราะเหตุไรเพราะบางสิ่งบางอย่าง มันต้องอาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามมาตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไรเราก็ต้องเดินตามแนวแถวที่ท่านพาดําเนินมาแต่ท่านพาดําเนินมาผิดไหมมันผิดที่ตรงไหนอธิบายดูซิมันไม่งามที่ตรงไหนไมีถูกต้องที่ตรงไหนอธิบายดูซิเลือกไปเป็นความดันทุลังของตัวเองอันนั้นละ่ะไม่ใช่มันไม่ถูกละ ขนาดพระหรหัน์พระมาหากะบินไม่ลงอุโบสถพระพุทธเจ้ายัางไปตาหนิพระ ม, า ห, มาหากบินเท่าก่บข้าเนี่ยเราในสมเด็จเป็นพระหรหันธ์แล้วไม่ต้องพูดถึงกายวาจาหรอกแต่ใจของข้าพระเจ้าก็บริสุทธิ์แล้วในเมื่อใจของข้าบริสุทธิ์แล้วเราบริสุทธิ์ด้วยใจแล้วกายของเราจะไปทำอะไร พอเราจะไม่คิดมันจะไปทำได้ยังไงมันจะไปพูดได้ยังไงเพราะเราบริสุทธิ์แล้วศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเท่านั้นเองเออพราะนั้นเรารักษาใจจุดเดียวแล้วเราได้เป็นพระอรหันแล้ว เ, เราไม่จ้องไม่จำเป็นจะต้องลงอุโบสถก็ไดเ้เราจะอยู่ตามลำพังเราจะไม่ลงอุโบสถพระพุทธเจ้ารู้เห็นเท่านั้นแหละถ้าว่ามีคนคิดอย่างพระมหากบิน อคนนั้นก็ไม่ลงอโบสถคนนี้ก็ไม่ลงโบสถเอาใครจะไปมองเห็นนะคือพระกบินคือพระทหารนะใครจะไปรู้ล่ะว่าท่านเป็นพระทหารองค์นี้ก็เฉยทําท่าเป็นพระทหารจ้ะองค์นั้นกระเฉยทาท่าเป็นพระทหารจ้ะไม่รู้หันไปทางไหนหันซ้ายหรือหันขวาก็ไม่รู้เหมือนกันนี่หันหน้าหรือหันหลังแต่มันหลายหันเหลือเกินนะอผลในสุขกน่ะศาสนาของเราตถาคตจะอยู่ได้อย่างไร นัน่นแหะพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วเนี่ยพระมพระมาหา ม, ามาหากระบินไม่ลงอุโบสถพระพุทธเจ้าก็ไปเยหียบกองทรายมีกองทรายอยู่หน้ากุฏิของพระมาหากบินพระพุทธเจ้าก็เหยียบรอยพระบาทลงตรงนั้นแต่ตามพระจิตรอยพระรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าน่ยไม่ไม่มีใครเห็นง่ายๆเพราะอะไรเพราะท่านเหยียบไปที่ไหนมีตะดอกบัว เย็ยบในดอกบัวรองรับไปตลอด เ, อเพราะเป็นบุญบา ร, รมีของพระองค์ท่านแต่ข่าวนั้นพันเย็ยบให้เห็นในกองทรายพอมาพหากบินออกจากฌานสมาบัติก็ออกจากสมาธิออกจากฌานสมาบัติมาเห็นรอยพระบาทพระพุทดธดเจ้าทตอนนั้นตกใจไม่ใช่ตกใจแล้วกายกายเอ๊มีเหตุอันใด ห, หนอเนี่ยที่พระพุทดธดเจ้าจึงได้มา ประทับรอย พ, พระบาทอยู่ที่หน้ากุฏิของเราเนี่ยต้องมีเหตุแน่นะท่านก็เป็นพระหรหันอยู่แล้วความชิดความรอบคอบสติปัญญาของท่านมากขนาดไหนจากท่านท่านก็ไปกราบพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์ว่ามามท่านมหากระดินถึงท่านจะได้เป็นพระหรหันแล้วก็จริงอยู่แต่ศาสนาของเราตถาคตนี่ประกาศไม่ใช่แต่ให้ท่านองค์เดียวนะ มีองค์อื่นไปมากมายถ้าว่าท่านไม่ลงอุโบสถองค์อื่นก็ถือพี่เป็นเที่ยงอย่างนะาศาสนาของเราตถาคตจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่จะได้ไปสักเท่าไหร่เพราะท่านเป็นผู้ทําลายาศาสนาของเรานะเพราะนั้นท่านต้องลงอุโบสถตามกฎประเพณีตามคณะสงฆ์ที่เราได้บัญญัติไว้นี่จากนั้นมาพวกตรงกําบัญญัติวินยัยนะเพราะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ไม่พระอรหันต์ก็ตามนะ พระหันรจริงพระหันซ้ายหันขวาก็ต้องลงด้วยการทั้งหมดน่นเะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นแบบอย่างสรุปแล้วคื อ, คอเป็นบทสรุปเป็นบทอย่างเป็นแบบอย่างอของขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามถ้ามันเสียหายเราก็ไม่ว่าแต่ถ้ามันไม่เสียหาย เ, เ, เราก็ต้องปฏิบัติตามแนวแถวที่ท่านพาดาเนินมาเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆคนนะ พุทธบริษัท4ภิกษุ 3, นนาสามเณรอุบาสิกาแต่วันนี้เป็นวันมาฆปูชาเป็นวันเดือน3เพนแต่ปีนี้มันเป็น8 2สองโหนเป็นวันเดือน4เพนวันนี้ตรงกับวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2558หอเมื่อเช้าพวกเราก็ได้ทำกิจกรรมอย่างที่พวกเราได้เห็น พอตอนเที่ยงเราก็ได้ลงอุโบสถและก็ตอนเย็นเราก็ได้ทำพิธีไหว้พระแล้วก็กล่าวทำสมาทาน เ, เขารบศักการะถือดอกไม้ธูปเทียนกล่าวคำถวายวันศักกระคือวันมาฆบูชาในวันนี้ทุกวัดของประเทศไท ย, ยทั่วโลก เ, เขาก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเย่ง แต่ว่าใน UN อนหรือว่าประชาคมโลกเขาเขายอมรับแต่วันมาพิสาขาบูชาคือวันเดือนหเพนแต่วันมาฆะบูชาเนี่ยเขายัางไม่ได้ประกาศเป็นวันสำคัญของโลกนะแต่พุทธบริษัทของเราเไม่ว่าประเทศไหนถือว่าวันมาฆะบูชา เ, เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตั้งกฎกติกาปกครองสงฆ์พระสงฆ์ มีมากมายถ้าไม่มีกฎกฎติกาปกครองสงฆ์ทั้งหลายออกคนละลูกคนละทิศคนละทางาไม่ใช่ว่าเป็นของดีสงแตกกันขนาดพระพุทธเจ้ายังสงพชนอยู่พระสงฆ์ยังแตกแยกกันได้ทั้งที่ต้นศาสนาต้นพระศาสนาเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องกิเลสเหล่านี้นะ่ะไม่ใช่ธรรมดา สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงโกสัมพีมีพระภิกษุมีธรรมกถึกระธรรมกถึกคือเป็นพระที่แสดงธรรมอ้างเหตุผลให้คู่คนทั้งหลายได้ยินได้ฟังอันนี้แปล ว, ว่าธรรมกถึกเป็นผู้นักในอัดในธรรมชี้แจงชี้แจงเหตุและผลให้คู่ขนได้ฟังและกับพระพระวินัยธรน พระวินัยทรคือเคร่งทางกฎระเบียบวินัยวินัยซิกขาบทไหนๆเนี่ยถ้าถามวินัยทอนวินัยทอนจะชี้แจงให้ฟังเหมือนกับเก่งทางกฎหมายลักษณะนัะ้นน่ะเก่งทางจดหมายเก่งทางทฤษฎีลักษณะอย่างนั้นน่ะทฤษฎีก็คือแนวความคิด เ, เ, เกียร์กฎคือระเบียบก็คือวินัยหรือ ก, กฎหมายามีอยู่2 อ, อกลุ่ม ศึกษาอยู่กับพระพุทธเจ้ามีกลุ่มละ500คนนะไม่ใช่ธรรมดาน ะ, อะพอต่อมาทีนี้ก่อเทจะทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องนิดหน่อยท่านเองคนพระจะทะเลาะกันนะตั้งที่อยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าอตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงกรุงโกสัมพีแต่นั้นพระสงฆ์พระธรรมกรถึกคือพระนักเทศท่านไม่ ท่านมไ ม, ไม่ไม่เก่งทางวินัยคือทางทฤษฎีท่านกข้าไปในห้องน้ําพอเข้าไปในห้องน้ำํำท่านก็ใช้ห้องน้ําตามในพระวินัยของพระพุทธเจ้าพร ะ, ระพระุทธเจ้าบัญญัติวินัยภิกษุใดก็ตามเข้าไปในห้องน้ำํำถอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นไปเหยียบปนเขียงจากนั้นเมื่อ เมื่อเสร็จแล้วให้ตักน้ำในตุ่มมาชำระตัวเองเมื่อชำระเสร็จแล้วให้คว่าขันภิกษุใดก็ตามเมื่อใช้น้ำแล้วไม่ค่าไม่คว่ำขันปรับอวบถกกฎเพราะเหตุว่าน้ำในขันนั้นอาจจะเป็นน้ำมีอะไรตกของตัวเองตกอยู่ในขันนั้นเป็นน้ำที่สกปรก เพราะนั้นต้องขํามคว่ําขันไว้ทุกครั้งจะเป็นองค์ใดก็ตามในเมื่อเข้าไปในห้องน้ําใช้น้ําแล้วขันน้ําที่อยู่ในขันในกระบอกน้ํานั้นต้องคว่ําทุกครั้งถ้าองค์ใดไม่คว่ําขันปรับอวบัดทุกกฎตอนี้พระธรร ม, มกระถึกเข้าไปใช้ห้องน้ําพอตักน้ํามาแล้วจะชําระตัวเอง แล้วก็น้ำอย่างในขันก็ยังเหลืออยู่ก็ค้างไว้ในขันต่อมาอาจารย์วินัยทอนที่เป็นคณะอาจารย์วินัยทอนที่เป็นหัวหน้านก็เข้าไปเข้าไปในห้องน้ําพ่อเข้าไปไปเห็นน้ําในขันเอ๊ะอาจารย์ทำรรมักระถึกเนี่ยไม่รู้วินัยเฉลี่แล้วเนี่ยเอ่ห์พระพุทธเจ้าปรับอวบทุกขหด น, นั่นนี่ถ้าว่าค้างน้ําไว้ในขันเนี่ยเอ่ห์จากนั้นพระวินัยทรก็ออกมา ใช้น้ำเสร็จแล้วก็ออกมาก็ถามถามธรรมระธรรมกรถึกว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เข้าไปในห้องน้ําำใช้น้ําไว้ละขังไว้ในขันปรับอวบัตุกฎนะอาจารย์อาจารย์ธรรมกระถึกะก็บอกว่าโอ้ใช่ผมไม่รู้นะเดินะถ้าไม่รู้ก็รู้ซะพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยจุดนี้ครับต่อไปผมจะไม่ทําอีกครับ ผมไม่รู้จริงๆครับอาจารย์ขอบคุณมากๆครับ อ, อครับเขาคิดว่ามันจะแล้วกันเพียงแค่นั้นแต่นี้พระวินัยทอนอยากจะอวดจักดาเขาตัวเองเป็นผู้แข่งในวินัยก็มาพูดให้ลูกศิษย์ฟังเอออาจารย์ทำมากระถึกไม่ได้เลื่องขนาดตัวเองทําผิดวินัยนะเข้าไปในห้องน้ำไปค้างขันไปค้างน้าไ้ในขันก็ยังไม่รู อันนี้มันผิดวินัยแล้วจะเป็น <c oughs> แล้วจะเป็นอาจารย์สอนคนได้อย่างไรทำไมจึงทิกข้ามบทเพียงแค่นี้ก็ไม่รู้เพราะพระติเจ้าบัญญัติแล้วแต่นี้ทางลูกศิษย์ของธรรมพวินัยถอนเนี่ยก็ทางกฎหมายเนี่ยก็ไปผูดเยอยให้ลูกศิษย์ของธรรมมกระเทิ์กเอบอกเนี่นะอาจารย์ของพวกเธอทั้งหลายเนี่ย เซอละเกินโง่ละเกินขนาดพินัยก็ยังไม่รู้พระเจ้าบัญญัติพันน้ำในขันไปยังไปค้างไว้ปรับอบัดทุกกฎยังไปทำไม่รู้กระทั่งพินัยสอนได้แต่คนอื่นสอนได้แต่ธรรมอย่างอื่นแต่พินัยไม่รู้นลูกศิษย์กลุ่มนีก็ไปเย้ยให้ลูกศิษย์ของธรรมะกระถึกนะธรรมะกระถึกก็เป็นผู้ วาทะเก่งอยู่แล้วจ้ะน่ยแต่ว่ h, าทำมกรถึกอาจารย์ทำมกระถึกของเอา้าอาจารย์วิไทยทรจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงเราก็ยอมรับแล้วว่าเราไม่รู้อาจารย์วิไทยทอนเข า, ามไม่รู้ไม่เป็นอาบัตแล้วทําไมจึงว่าเป็นอาบัตมาพูดได้ยังไงมันพูดอย่างนี้มันพูดได้ยังไงอันนี้มันพูดสับปรับ น, นั่นเองพูดโกหกตอแหล น, นั่นเองนี่แหละตัวอาจารย์วิไทยทรนั่นแหะ เป็นอาบัติปาจิตติเหนือกว่าทุกกฎ อ, กอีกเอเพราะพูดปดเอภิกษุพูดปดต้องปาจิตติชัดๆัดอยู่แล้วนะทําไม่จะมาหาพูดว่าเราเป็นอาบัติเราก็ยอมรับว่าเร า, เ, า เ, เข้าไปแล้วเราไม่ได้มีเจตนาเราไม่รู้ไปรู้ว่าไม่เป็นอาบัติแต่ได้กลับมาว่าเป็นอาบัติแสดงว่าอาจารย์พิเนธรเป็นอาบัติปาจิตตินะแต่ในลูกศิษย์ทั้งหลายก็บอกเอ้ย อาจารย์ของข้า เ, เป็นทุกขกตแต่อาจารย์ของแกเป็นอาบัตปาจิตเตนี่แหละทีนี้ตั้งห้าร้อยคนเลยกยกทีมเข้าหากันแต่ต่างคนก็ต่างชี้หน้ากันลักษณะอย่างนั้นได้พระตั้งห้าร้อยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ห้ามแลวโยธเธออันนั้นมันเป็นอาบัตเล็กน้อยานเองเขาไม่รู้ก็ให้อภัยกันหยวนจะไปทํอย่างไงจะพูดอย่างไรอย่างงั้นโยธ พระพุทธเจ้าห้ามก่อใหม่ฟังฮะกลุ่มหนึ่งก็เข้าไปโอ้ขอพระองค์จงยงจูด้วยพ ร, ระเกษมสำราญเถราเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์จะห้ำหันกันเองโตวทฏกันเองเอทั้งสองฝ่ายพระองค์ไม่ต้องห้ามพวกข้าพระองค์จะรู้เอาวาัห้ำหันกันเองเอไม่ได้คิดว่าตัวเองห้ำหันกันจะเสียวงการพระพุทธศาสนา เสียวงการส่วนใหญ่ไม่ได้คิดมีแต่คิดว่าจะห้ําหั่นกันในหมู่คณะแต่มันจะเสียส่วนวงการใหญ่ๆออกไปที่จะประกาศพระศาสนาได้ยังไงขนาดพระสงฆ์อยู่ในโอวาทแท้ๆยังทะเลาะกันอแล้วจะสอนคนอื่นให้นับถือพระพุทธศาสนาได้ยังไงมันไม่ได้คิดจุดยาวถึงขนาดมันคิดแต่ว่าจะห้ําหั่นกันเท่านั้นนะพระสองกลุ่มกลุ่มละห้าร้อย พระพุทธองค์ห้ามอะไรก็ไม่ฟังพระองค์หนีเถอะนเออหนีจากโกสเมืองโกสัมพีไม่เอาก็ทั่งพระอานนท์ไปด้วยทั้งที่ไปที่ไหนพระอานนท์ต้องเป็นปัจฉาธรรมณะเป็นผู้ติดตามพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดแต่คราวนั้นพระพุทธองค์หนีไปตามลําพังพอไปหนีไปตามลําพังเท่านั้นแหละพระอานนท์ก็ไม่เอาไปพระสงฆ์ทั้งหลายกันนะห้ามหันกันแล้วเถอะ ใครก็ว่าใครเก่งไม่ลดลาวาสอกันนะ่ะใครก็ว่าใครแน่ผลในสุดชาวบ้านเขาแเมืองโกซัมพีโอพระสงฆ์ทำไมพระพุทธเจ้าห้ามและยังหัวดือ้อหัวล้านอกีกไม่ยอมฟังกระทั่งพระพุทธเจ้าต้นศาตราต้นศาสนาต้นศาตราเป็นผู้เป็นอาจารย์แท้ๆยังไม่เชื่อฟังพระเหล่านี้หัวดือ้อจริงๆอ้าวพวกเรา พวกศรัทธาญาติโยมอย่านับถืออย่าเลื่อมใสอย่ยาใสบาตรต่อไปนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้เขาเก่งอยู่ในวัดก็แล้วกันพวกเราอย่าใส่บาตรให้ฉัน เ, เท่านั้นแหละพวกชาวบ้านก็เลยงดใส่บาตรไม่ใส่บาตรพระเหล่านั้นอ๋อบินฑวารที่ไหนก็ไม่มีใครใส่บาตรวันสองสามวันเท่านั้นแหละไม่ต้องสอนยากเลยพระห้าร้อยองค์ นบปนมือเข้าหากันเลยทีนี้บอกว่าโอ้พวกเรายอมสารภาพผิดหรือถูกพวกเรายอมอไม่ถือโทษโกรธเคืองกันยอมเ อ, เอาไม้ไช่ไม้ยอมท้านุ่งก็ยอมยอมด้วยกันออจากนั้นก็ไปประกาศเออศรัทธาญาติยอมไหมพวกอัตมาถูกกันละยอมกันละอแต่ถึงยังไงพวกเรายังอยู่ในพรรษา ไปยังไม่ได้มือออกพรรษาแล้วล่ะจึงจะไปกราบพระพุทธเจ้าคาละวะยอมสรภาพละศรัทธาญาติโยมจะทำบุญก็ทำได้นะอัตมาพวกอัตมายอมแล้วนะแต่พระพุทธเจ้าท่านสเสด็จหนีออกไปเออออกจากโกสัมพีท่านก็เดินทางไปตามลำพัง อ, อไปก็ไปแวะเยี่ยม พระอนุรุธกิมพริวัคคุพัติยะที่บวชพร้อมกับพระอานุ์พระเทวทัตเนี่ยท่านไปสร้างวัดอีกไปอยู่ที่อีกแห่งหนึ่งเป็นสถานที่ปีกวิเวกพระองค์ก็เห็นว่าท่านเหล่านั้นอนุรุธกิมพลิวัคคุน่ยท่านอยู่อีกในแนวทางที่พระองค์จะเด็นไปสู่วัดที่ป่าเลไล คือความจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าก็คือป่าเลไลที่ท่านพระองค์จะเสด็จไปในวันในคราวนั้นท่านก็ไปแวะสำนักของพระอระหันต์สามสี่องค์ที่อยู่ด้วยกันพระองค์ก็ถามว่าเป็นไงพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยความเกษมสํำราญพร้อมเพรียงสมั่นทีกันดีอยู่เหรอครับผม มีความพร้อมเพียงสมัตคีกันดีพระเจ้าขา่าไม่ดียังได้ท่านเป็นพระหานทั้งหมดใช่ไหมเออขวัติทิฏฐิมานะจะมีได้ที่ไหนคือแต่ความถูกต้องเท่านนะั้นอ่ะเออดังนั้นพระองค์ก็บอกว่านี่นะเราหนีออกจากโกสัมพีในคราวนี้นะ่ะพระสงฆ์ทะเลาะกันเราห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเออใครก็ว่าใครเก่งใครก็ว่าใครฉลาดเออแต่มันเท่าเทากันนั่นแหละ มันจึงทะเลาะกันถ้าใครฉลาดกว่ากันก็คงจะไม่ทำกันเพราะนั้นเราจะได้หนีออกมานะการทะเลาะว่ำแวงกันมันไม่ดีนะมันทำให้เสียหายมันเคยมีมาแล้วในอดีตการทะเลาะกันะมันจิบหายทั้งฝูงนะมันจิบหายทั้งหมูทั้งคณะนะมันไม่ใช่จิบหายแต่คนใดคนหนึ่งมันจิบหายทั้งฝูงนะทั้งคณะนะ การทะเลาะโม้แ้งกันมันเป็นไม่เป็นผลดีพระ ส, สงฆ์พระอนุรดฐะกิมพริวัคคุทา่านก็บอกสมัยไหนหนอพระเจ้าข่าที่พระ ส, สงฆ์ที่คนทะเลาะกันแล้วจิบหายทั้งฝูงทั้งหมูพ่พระเจ้าข่าพวกเธอต้องการฟังเหลือพระเจ้าข่าเราจะสาธกให้ฟังสมัยหนึ่งมีนกกระจาบฝูงหนึ่ง หากินด้วยกันอยู่ในสนามหญ้ามันไปที่ไหนมันก็ไปด้วยกันแต่มันมีหัวหน้าฝูง อ, อ, อยู่ตัวหนึ่งแต่นกทั้งหลายก็เชื่อฟังหัวหน้าฝูงบอกเวลาเอาเวลาบินก็อเอาบินกับบินคืบขึ้นพร้อมกันเวลาให้สัญญาณแล้วก็บินเวลาจะลงก็ให้สัญญาณเอาลงนกทั้งหลายกับบินลงพร้อมกันคือบินขึ้นลงหากินตามลานหญ้า เป็นเป็นฝูงใหญ่แต่พวกมีพลานมีพรานตาขายพรานตาขายนกเขาก็ไปดักตาขายเอาไว้พอดักตาขายเอาไว้เวลานกมันลงลงนกทั้งหลายกันลงพอลงเสร็จแล้วตาขายมันหบมาใช่ไมมันมีตาขายมันชักตาขายมันหกขึ้นมาหัวหน้ามันก็พาบอกว่าบินพร้อมกัน เออเป็นขึ้นเป็นฝูงใหญ่เลยผลที่สุดตาขายนั้นเอาบินขึ้นไปไปเกาะไว้ต้นไม้สูงๆไปทิ้งไว้แลนกต่างตัวต่างออกไปจนพรานนกทางหลายหนหมดปัญญาเลยที่จะจับนกฝูงใหญ่นี้ไดเ้เพราะมันมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแต่ต่อมาทีนี้ไอ้นกฝูงนี้แหละ มีนกรองหัวหน้านะหัวแข็งขึ้นมาใครเข้าจะแช่งจะแย่งพวกจะแย่งเป็นใหญ่ในหัวหน้าก็พูดขึ้นมาว่าหัวหน้าของเราดูสิเข็นแก่ตัวมากคาบานะ เ, เวลาจะขึ้นไปหมู่พวกเพื่อนยังไม่ได้กินอาหารอีกต่างหากพอลงมาต่นนั้นตัวเองกินอิม่มลงมาก่อนอกิอนอิม่มก็ไปไอ้พวกที่ไม่ได้กินก็ บ, บินขึ้นไปตามอีก จากนั้นก็นลงพอลงเสร็จแล้วก็นนะยังไม่ได้เท่าไรกับบินไอ้พวกนกบางตัวนะยังไม่ได้กินเหยื่อเลยมันก็พาบินไปแล้ว อ, อจะไดงว่าหัวหน้าเห็นแก่ตัวมากถ้าเป็นเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราจะไม่เป็นอย่างนี้เราจะต้องทําให้ดีกว่านี้ต้องสุขุมกับปีล่ภาพกินอิ่มซะกอ่อนเราจะต้องดูหมูพวกเพื่อนอันนี้ดูซิหัวหน้าเนี่ยขับแฉบ เห็นแต่พักแต่พวกตัวเองเออพวกนกทางหลายไอ้ตัวเสือเสือโงโง่เมันก็มีนะเออเวลาเขาให้กินตัวเองก็ไปจิกไปตีกันเล่นไปลอ่อไปเล่นกันไม่ตั้งใจกินเลยพอเขาบินขึ้นมาแล้วก็ตัวเองก็บินขึ้นมาเอ อ, เ อ, อ, อ, อกระอกบอกว่าตัวเองไม่ได้กินเลยเพราะนกงโง่มันก็มีเหมือนกับคนโง่เหมือนพระโง่มันมีอยู่ในกลุ่มของพวกกลุ่มแต่ละกลุ่มะเออ โลกคนนี้มันคนโง่มันมีกว่าดีมันโง่เอมากกว่าคนฉลาดเองนกเหล่านั้นเขคงจะลักษณะอย่างนั้นแหละหลวงพ่อว่านะไอ้นกที่จํานวนที่เอมันโง่มันก็เห็นด้วยใี่ไเออใช่หัวหน้าลองหัวหน้าเห็ดีว่าเห็นด้วยว่าหัวหน้าได้เห็นแก่ตัวแตอนนั้นก็มีพวกขึ้นมาสองท่นี่ไอ้ต่อมาเนี่ยไอ้นกหัวหน้าเขาบอกว่า พอติดตาขายขึ้นมาน่นะเอาบิน <c oughs> พอบินเมื่อก็บินนกกลุ่มหนึ่งอีกมันบอกไม่ต้องพองบินอ้พวกไหนเก่งเออพวกไหนเก่งให้บินไปไม่บินพวกเราไอ้หัวหน้ามันก็บินไม่ขึ้นอพอบินไม่ขึ้นลงไปไอ้พวกลองหัวหน้าเอาพวกเราบินเอ้พวกหัวหน้ากับพวกนั่นก็ ผมมันบินเหนื่อยแลยนะ้วอะเอาพวกเราไม่ตรงบินให้มันบินไอ้พวกรองหัวน้ามก็บินไม่ขึ้นอีกอย่างเก่านะเพราะเหตุไรเพราะมันไม่เต็มฝูงนะใช่ไหมกำลังไม่พอเนะนี่ยแต่เพราะทศนิสกกำลังถกเถียงกันอยู่นกฝูงนั้นนะพอดีกับพลานนกมาถึงพอดีนะมันกันรวบตีนตาขายใช่ไหมพรานรวบตีนตาขายเอ่ไม้แสบมันก็หดหดหด อ, อไม่ว่าตัวทะเลาะไม่ทะเลาะกันนั่นแหละลงไปเป็นฝูงเลยท่านนี่นายพานก็เลยตลกขนออกมาแล้วก็ลงกระทะซะออทอดใส่น้ำมันมะพร้าวซะ เ, เป็นอาหารโอชะของนายพานทั้งหมดไม่มีใครเก่งตัวเก่งไม่เก่งท้านนี่แหละนิทานเล่ชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทะเลาะโมแว้งกัน มันไม่เป็นผลดีจิบหายทั้งจ่ายทั้งฝูงทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องเพราะนั้นการทะเลาะผีบาทกันไม่เป็นผลดีเพราะนั้นให้สํารวมระวังอันไหนควรไม่ควรอย่างไรให้พวกท่านทั้งหลายช่วยกันดูช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแก้ไขเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วการอยู่ด้วยกันก็ต้องมีผิดมีถูกเป็นธรรมดาแต่จะไปถือโทษโกรธเคืองกันขนาดนั้นจิบหายทั้งฝูง ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นพระงองค์นั่นนะ่ะนกกระจาบผูงนั้นตายทั้งผูงเลเพราะอามองกันเห็นมองผิดมองถูกกันในคนละแง่คนละหมุมธรรมดาคนคนหนึ่งจะดีหมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้บางทีเขาพูดคำหนึ่งออกมาก็มาตีแผ่จนทะเลาะกันอย่างนี้มันต้องดูเจตนา ด้วยการกระทําของแต่ละท่านละคนต้องดูเจตนากันต้องดูให้ดีและก็ปรับปรปุงแก้ไขเข้าหากันนั่นแหละการจะอยู่ด้วยกันได้นะแต่จะมีแต่เอาเล่ยเอาเหลี่ยมชั้นเชิงใส่กันอยู่ตลอดมันหาความสงบสุขไม่ได้หรอกไม่ว่าสัตว์เลี้ยฉานไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าประเทศไหนโลกยุคใดก็ตามถ้าหาว่ามองแต่มองงานมองกันในแง่ร้ายตลอดน่ะมันจะหาความสงบสุขไม่ได้ ถ้ามองกันก็ต้องมองกันในแง่เหตุผลมองกันในแง่ดีมันจึงจะไปด้วยกันได้จากนั้นพระ อ, องค์ก็พูดอีกว่ า, าการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมีแต่หนทางแห่งความชิบหาย เ, าเหมือนกับมีมาแล้วในอดีตการพระ อนุรุทธะกิมภริวัคคุตั้งก็ถามพระพุทธเจ้าสมัยไหนพระเจ้าขา่าที่มันทะเลาะกันแล้วมันจิบหายทั้งคู่ทั้งอจองเวนกันจองเวนีนจองกรรมแล้วมีแต่ความจิบหายด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าขา่าพราะพระพรองค์บอกว่าสมัยหนึ่งมีหมีอยู่ในป่ามีหมีใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ในป่าหากินอยู่ในป่าตามลำพัง พอหากินกลางคืนพอจวนสว่างหมีตอนนั้นก็เป็นนอนหาที่นอนแต่วันวันนั้นเขาเป็นนอนทีู่ที่โคลนต้นไม้สะโคโคนต้นไม้สะโคทีนี้พอเนี่ยก็เก่งไม้สะโคมันหักโดยบังเอิญมันก็ตรงกินไม้มันก็หล่นลงมาชูดินที่มันหักมันก็ลงหล่นลงมาใส่ดินทับมาถูกหัวหมี เออหมูมีกำลังจะนอนหลับกำลังงวงเงียอยู่กำลังกิ่งไม้ส้นคอหล่นลงมาใส่หัวพอหล่นทำไหมหัวหมีมีก็โกรธโมโหขึ้นมาออืเออลุกขึ้นมาได้โอ้ไม้ต้นคอตัวนี้นะเอออีกสักวันหนึ่งถ้าข่าได้โอกาสข่าจะต้องโค่นมันแน่แน่เอามันทําไมมาโค่นใส่หัวข้าเนี่ยว่าเออถ้ามีโอกาสะ ข้าจะต้องจัดการกับไม้ตะขอตอนอนะี้มีก็เดินต้วมเตียมโดยความโมโหไปหานอนที่อื่นนะอพอต่อมาตอนใช้สายชาวบ้านเขาก็เข้ า, ขามาในป่า เ, เข้ามาหาแอกรถงอนรถแอกรถนะแอกรถเขาหักเขาก็เลยเข้ามาแบกเครื่องทัพผสมปร ะ, ระมีเลื่อยมีคว้าน มีของที่จะมาตัดไม้ในป่านเพื่อจะทําแอรกรถของเขาจะเดินเข้ามาหมีตัว น, นั้นก็เลยเดินตุวมเตี่ยมเขาไปหาเขาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายมาอะไรในป่านี้ฮหคนทั้งหลายเขาเอ๊ะหมีพูดภาษาคนได้วะบอกว่าข้าพวกข้าเนี่ยมาหาไม้เพื่อจะทําแอรกรถทํางอนรถเพราะแอรกรถของเรามันหัก ก็เลยจะมาหาแอกรถใหม่หมีตอนนั้นก็นเลยพูดขึ้นว่าเราเที่ยวอยู่ในปา่าหวงพงไพยนี้เป็นเวลานานไ ม, ไม้ที่จะแข่งไม้ที่จะแข็งไม้ที่ดีที่สุดน่คือไม้ตัวเนี้ยไม้สะคเนี่ยดีที่สุดที่จะทำเป็นแอกรถถูกดีจะใช้ได้ทน เขาก็โอ้ใช่ขนาดมีอยู่ในป่ามันก็ยอมรับเอาไม้สะกอเป็นไม้แข็งเอา้าถ้ า, างั้นพวกเราเอาไม้สะกคอนี่แล้ววะ เ, เป็นแอรกรถจากนั้นเขาก็เลยวางเครื่องทับผสัมสาระลงจากนั้นเขาทําพิธีโค่นนะจ๊ะเนีโค่นต้นไม้สนะักคอพอโค่นลงเสร็จแล้วเขาก็มาถากนะพอถากไม้สะขคอให้เป็นรูปร่างกําลังจะเป็นรูปร่างขึ้นมาท่านนะนะ ลุกขะเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้สะคอะเป็นลุกขะเทวดานะที่อยู่ต้นไม้สะคอะขาโมโหให้หมีเถไงมันมาตัดบ้านของข้ามาตัดเรือนของข้าปราศาสาของข้าได้ยังไงกะธรรมชาตกิ่งไม้ไม่ไม่หล่นลงดินจะเป็นหล่นไปที่ไหนจะเป็นหล่นขึ้นฟ้าได้ยังไงอันนี้ธรรมชาติของมันอันนี้มปตแกมานอนอยู่ที่นี่มันก็หล่นตามธรรมชาติกิ่งไม้มันก็หล่นลูกใสหัว แล้วจะมาผูกพยาบาทอาฆาตจนมาโค่นบ้านของขา้าทำลายทำ้ายบ้านของขา้ามันไม่น่าจะถูก เ, เทวดากับมโหให้มีเดินออกจากขนของออกจากบ้านตัวเองพอไปอยู่พอทีนี้ก็พวกก็มาถากพอมาถากต้นไม้พอถากเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วนี้ลุกขะเทวดาก็จำแรงตัวเป็นมนุษย์ขึ้นมา จำแรงตัวเป็นมรุกขมาบอกว่าเอ้ยในช่างพวกท่านทําอะไรเนี่ยโอ้ก็ทํางอนรถแอกรถที่จะเอาไปใช้มันแอกรถมันหักพวกท่านทั้งหลายอยากจะให้มันงามไหมแอกรถของท่านโอโ้อยากจะให้มันงามมาแล้วถ้าจะให้มันงามนั้เอาหนังหมีนะหุ่มนะเอาหนังหมีหุ้มเอองอนรถแอกรถดํำมืดงามมันจะสวยงาม เอาจะเอาหนังหมีที่ไหนล่ะเอาดีเด้หนังหมีที่มันนอนอยู่นั่นน่ะอพอหมีตัวนั้นตัวเองเอพูดว่าให้เขาตัดต้นไม้ตัวเองดีใจแบบนั้นนะนอนหลับสบายใจกูได้แก้แค้นมันแล้วว่ะตัดต้นไม้ที่มันหล่นใส่หัวกูเนี่ย ว, ว่ะสบายใจแต่ลืมคิดว่ามีผู้พยาบาทอาคาตจองเวีนมีอยู่ เออทเนีงก็อนายช่างทั้งหลายก็กรถามลุกคะเทวดานว่าเอ้าแล้วจะไปเอาได้ยังไงแต่หนังหมีมันนอนเนี่ยเอ้าจะไปยากอะไรเดินค่อยๆเดินย่องๆไปได้กันเนีขวานเนี่ยยำหัวมันเลยอย่างนั้นสรบหัวมันแล้วก็สั็บคอมันก็เอาทำไมพอมันตายแล้วก็ถลกหนังมันกันเอาสพันใส่ไม้เนีกัหามเข้าไปในบ้านกัไปตากให้มันแห้งกับ มาหุ่มแอกรถนะมันก็สวยงามเโอ้ชช่ชั ช, ай, ช, ай, ช, ай, ช ай. เ่มนุษย์นี่ก็โลภใช่ไหมเอก็ย่องย่องไปก็ใช้ใช้ขวานนะ่ะนะยำหัวหมีเลยเันก็เป็นอย่างเทวดาพูดจริงๆนะมันนะเออหมีก็ดินผาดผาดเนีนน่ยิูได้ยังไงพอยำมันจะมันตายนะเลยผลี่สุดก็เลยเได้หนังหมีมาหุ่มรถ นะนคานนีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะการผูกพยาบาทการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันไม่มีที่สิ้นสุดจิบหายทั้งสองฝ่ายเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระ ง, งับไปได้ถ้าหากว่ามีการจองเวรกันอยู่พรานั้นพวกท่านทั้งหลายอย่ายินดีในการจองเวรกัน ถ้าว่าไม่จองเวรกันนั่นล่ะเวรจะระงับถ้าว่ามีการจองเวรกันอยู่เวรจะไม่ระงับไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับกากับนกเขาพังพรกับงูเห่ากันเปรียบเทียบนะพังพรกับงูเห่ามันไม่ยังไม่ลดละกระทั่งทุกวันนี้กากับนกเขาก็เหมือนกันยังตีกันอยู่กระทั่งทุกวันนี้เพราะมันการมีการจองเวรชั่วลูกชั่วหลาน ไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้การทระเลาะเบาแว่งกันในกลุ่มสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์พอออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าไปเสด็จไปจำพรรษาอยู่ตามลาพังออที่ปา่าแล้วที่พระพุทธองค์ไปเห็นพบกับช้างป่าเลไลกับลิง ที่พวกเราเห็นพระพุทธเจ้านั่งยอนยอนพระผาดนั่งอยู่ก้อนหินจากนั้นก็มีลิงจับรวงพึ่งแล้วก็มีช้างที่จับกระบอกน้ําถวายพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราไปเห็นนั่นอนะ่ะปีนั้นละ่ะพรรษานั้นละ่ะพระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่ตามลําพังช้างช้างกับลิงมาปลนิบัติพระพุทธเจ้าตลอดพันศานะ เ, เมื่อออกพรรษาเสร็จแล้วพระอนุนก็นำพระสงฆ์ทั้งพันรูปนะ่ทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องวินัยทอนหัวหน้าทำมกถึกกับลูกน้องนะ่พาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็เทศนาว่าการให้ฟังพวกทั้นก็ยอมรับจากนั้นก็ท่านได้ฟังทำคำสอนด้วยความตั้งอกตั้งใจท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนะในคราวนั้นนะ นี่แหละเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคนจะทะเลาะกันน่คนจะทะเลาะกันมันมีเรื่องนิดหน่อยท่านเองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เอน้ำเพิงห ย, ด, หยดเดียวอย่างที่ว่านั่นนะ เ, เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเรื่องอะไรเกิดขึ้นในหมู่ในคณะในกลุ่มของพวกเราให้สํารวมให้ระวังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราพวกเราทะเลาะกันนะแต่ว่าเตรียมไว้ดีกว่าเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้ว ให้สำนึกไว้ดีกว่าคิดไว้ดีกว่าดีกว่าไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ไม่เป็นไรหรอกไม่มีการทะเลาะบาแวงกันหรอกไอ้อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคนยังมีกิเลสอยูนะ่ยังมีราคะโทสะโมหะอยูนะอ่อย่าไปคิดว่ามันจะไม่มีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นคิดไว้ดีกว่าเตรียมไว้ดีกว่าเข้าใจกันไว้ดีกว่า ดีกว่าที่มันมีขึ้นมาแล้วจึงจะเกิดแก้ไขทีหลังเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ในพระไตรปิฎกหรือในธรรมคำสอนของพระพุทธายาวที่ท่านได้ตรัสได้บอกไว้แล้วล้วนแล้วจะเป็นกระจกเก่าเป็นแนวทางสําหรับพวกเราให้ได้ฟังได้ศึกษานะในการอยู่ด้วยกันแต่ถึงอย่างไรก็าตามถ้าว่าผู้ที่หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารแล้วซีวลังสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องจีบจ่อยมาก เราจะไปคิดทำไมเราหวังพ้นทุกข์เราไม่ใช่ว่าจะอยู่โชคฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่ใช่ถ้าเราชนะไปแล้วเราได้อะไรอได้ก็ได้เพียงแค่นั้นเห็นไหมครูบาอาจารย์ของพวกเรานะเท่านเก่งกาจสามารถขนาดไหนท่านขุมมรณะภาพไปแล้วอย่างองค์หลวงตานะผู้ที่เหนือกว่าองหลวงตาก็ยังมีหลวงปู่มั่นหรือพระ โมคราสาฤบุตรเออออ克拉ส า, าวกนะท่านไปไหนหมดแล้วพวกเราล่ะจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมเ อ, อสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงพวกเราควรจะสํานึกอันไหนดีดีรู้ไหมชั่วรู้ไหมถูกต้องรู้ไหมเหมาะสมรู้ไหมควรไม่ควรรู้ไหมสูงต่ํารู้ไหมกาละเทสามบุคคลรู้ไหม การสถานที่อย่างนี้ควรปฏิบัติตนอย่างไรรู้ไหมถ้าพวกเราได้คิดให้รอบครอบแล้วเราจะรู้อันไหนควรไม่ควรอย่างไรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเป็นธรรมนั่นแหละอันนั้นแหละคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าถึงจะไม่ได้พูดว่าเป็นหลักธรรมก็เถอะถ้าถูกต้องเป็นธรรมไม่ไปตามคิเหตแล้ว น, ะนั่นแหละเป็นทางที่ไปสู่มรรคสู่ผลเป็น ขนทางนั่นแหลสัมมาดดทิฏฐ euh, ิคิดดีทำดีพูดดีคิดก็คิดดีเมื่อทำลงไปก็ทำดีพูดออกไปก็พูดดีนั่นแหลสัมมาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐิแล้วก็คิดชั่วทำออกไปก็ชั่วพูดออกไปก็ชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนั่นแหะคือมิจฉาทิฏฐนะิเองคือความเห็นผิดเมื่อเห็นผิดต้วการทำออกไปก็ผิดพูดออกไปก็ผิดเพราะอะไรเพราะมันผิดมาจากหัวใจ ถ้าว่ามันคิดถูกแ้วทำลงไปก็ถูกพูดลงไปก็ถูกเพราะมันถูกมาจากจิตใจท่านยังว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากในหลักของพระพุทธศาสนาต่อนนี้ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้คู่บาเปิดเทป MP3 พ MP 3, ให้ฟังแนวภาคปฏิบัตินะ